เพราะความจเจริญในธรรมจะมีะท่านผู้ฟังเท่าไรแต่รมประโพติยานกำลังนำเสนออริยมรรคแรกคือสมาธิธิในช่วงของกรรมสกตาสมาธิธิคือปัญญาเห็นชอบในกฎแห่งกรรมที่จริงในเรื่องของกรรมนั้นเขาจะมีความต่อนเนื่องกันหมายความว่า ภายในใจของผู้กระทํานั้นจะต้องมีกิเลสอยู่หยาบกลางละเอียดก็เป็นรายละเอียดเฉพาะบุคคลนั้นทําให้เราเห็นความแตกต่างระหวาะห่างพระนาคามีลงมากับพระละหาันพระานท่านหมดกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหมดจากอาวิชชาซึ่งเป็นด่างเงาของกิเลส าการกระทำต้องปวงของท่านจึงเป็นกิริยาคือไม่เป็นกรรมเมื่อไม่เป็นกรรมในกระบวนการของกรรมก็จบแต่ว่าคนเราอื่นนั้นจะต้องมีกิเลสอยู่ระดับหนึ่งเมื่อทำแล้ก็จะเป็นกรรมเมื่อเป็นกรรมแล้วก็ต้องรับผลของกรรมแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะเป็นเจ้าของผลส่วนจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับ กรรมที่บุคคลกระทำไว้ในขณะนั้นนั้นตอนนั้นเวลาพูดถึงกรรมฉันจะพูดถึงความเชื่อในกฎของกรรมความเชื่อในผลของกรรมและความเชื่อในการพิษสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนพตอนมาถึงช่วงที่ใช้สติปัญญาใช้เหตุผลมันก็มองในสามสีช่วงเช่นเดียวกันแต่ในขณะนี้กําลังนําเสนอกรอบของคําว่ากรรม ไปเชยเหว่าเป็นปริยายเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในกรณีทั่วๆไปหมายความว่ากรรมเป็นคํารวมที่สะท้อนมาจากเจตนาที่เกิดขึ้นภายในใจแล้วคนผู้ก็ได้ทําก็ได้คิดก็ได้ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้กลางกลางก็ได้สรุปรวมทั้งหมดี่ยก็เป็นกรรมประกอบของกรรมเนี่ยมันเกือบเท่ากระกอบของธรรมแต่ประกอบของธรรมเขากว้างกว่า ประกอบกองธรรไปคุมที่ปณิพานไว้ด้วยแต่กระกอบกองกรรมคุมไม่ถึงกรรมจะเป็นเรื่องแบบโลกิยธรรมคือธรรมะระดับล่างระดับสังสารวัฏแต่ว่านิพานนั้นเป็นธรรมะระดับสังสารวัฏแต่ก็ไม่ใช่เป็นกรรมคือ ต, ตัวเหตุ้ถึงนิพานที่จริงก็เป็นกรรมนะฮะคือเป็นกุศลกรรมแต่พอถึงนิพันธ์แล้วก็หมดกรรมกัน วันก่อนเคยยกตัวอย่างพระพุท ธ, ธํรรมักที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆที่จำแนกให้เห็นว่ากรรมบางอย่างก็เป็นเหตุบางอย่างก็เป็นผลบางอย่างก็เป็นอาการบางอย่างก็เป็นวิชีวิตเฉยๆแต่ทั้งหมดก็คือเป็นกรรมและข้อที่ควรสังเกตอีกต่อไปก็คือเรื่องกรรมนั้นเป็นการแสดงเมื่อเป็นการแสดงเลยก็เป็นการชี้บอก ชี้บอกในลักษณะหงายของที่คว่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางสองระชีพในที่มืดเพื่อคนมีดวงตา น, นั้นได้เห็นแสงสวรร่างตต่แน่นอนถ้าหากว่าเขาไม่มีตาคือตาบอดเนี่ยเขาก็ต้องไม่เห็นดังนั้นในกรณีของกรรมท่านจึงมีการเน้นย้ำเอาไว้เช่นให้ใช้ปัญญาพินิพิจารณา ไปเชื่อมโยงเราประเหตุกับผลได้ได้เพราะถ้าเหตุอย่างนี้ผลต่อไปจะเป็นอย่างนี้เหตุอย่างนี้ผลต่อไปจะเป็นอย่างนี้คือเชื่อมผลโยงกลับมาให้เหตุด้วยว่ามองจากเหตุซึ่งเราจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้เพราะาเรามองเห็นผลว่าถ้า ต, ต่อไปเมื่อทําไปแล้วก็วจะเกิดผลอย่างนั้นอย่างนั้นก็ทํานองของการปลูกพืช เราปลูพืชชนิดใดชิดหนึ่งก็ได้ต้นของพืชชนิดนั้นต่อไปไปจะได้ผลของพืชชนิดนั้นแต่ว่าผลนี่มันยังไม่เกิดมันเกิดเป็นต้นพืชไปก่อนในข้อนี้ทงทร ง, งประทานหลักไว้ในสังยุตตนิกายสกัทวัตรว่าทํากรรมใดแล้วร้อนใจในภายหลังกรรมที่ทําแล้วนั้นไม่ดี หมายความบุคลจะต้องเข้าใจถึงโทษของอกุศลของบาปทั้งหลายมาดูตัวอย่างง่ายๆว่าการฆ่าการลักการาื้ดผิดในทางประเวณีเนี่ ย, ยมันอาจจะสดใจมันอาจจะสุขใจในระยะสั้นๆนิดเดียแต่ว่าจะมีความทุกข์ใจรอคอยอยู่เบื้องหน้านิ่มนานเป็นนันเองกัน น, น่บางครั้งหมายถึงความล้มละลายของชีวิตไปเลย แต่ในขณะเดียวกันเราก็เลือกได้คือเลือกมดเว้นได้เราไม่ทําได้มันไม่เหมือนกับความแก่ความเจ็บความตายคือความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นผลแต่เหตุมันมาแล้วนะคือเราเกิดแล้วมาเกิดมาแล้วก็ต้องจํนานนต่อความแก่ความเจ็บความตายเราลีกหนีไม่ได้นั่นก็คือจุดต่างในกรณีของกรรมก็คือทา เาทำในเราเว้นได้เราก็พฤตได้ท่านก็บอกว่าเป็นกรรมไม่ดีกรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดีคือมีความทุกข์เป็นผลเมื่อเรามองเห็นโทษเราก็งดเว้นท่านก็บอกย้ำไปอีกตอนหนึ่งว่ากรรมทำกรรมใดแล้วไม่ร้อนใจภายหลังกรรมที่ทำแล้วนั้นแหละดี แม่เป็นข้อเสนอทั้งสองข้อเป็นข้อบอกกล่าวชี้บอกให้ทั้งสองข้อผู้ปฏิบัติก็ต้องคิดตรงเลือกเอาเพราะมันก็มีสองทางอย่างนี้แหละคือบางทีในคุณมองผลว่าต่อไปในคุณจะต้องเดือดร้อนการเดือดร้อนเนี่ยเป็นผลของกุศลแต่กุศลเนี่ยเรายัางไม่ทำเพราะาเราเว้นเราได้หรือ่ามองในอนาคตว่าเรามีความสบายใจเป็นผล สบายใจเป็นผลของความดแีแสดงว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นความดีแต่เราก็ยังไม่ได้ทําแต่เราต้องการผลคือความดีเราก็ทาแนวกรรมจะเป็นแนวสอนอย่างนี้เช่นตัวอย่างว่าสอนเรื่องตัวผลนี่เช่นว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่รวงพ้นความแก่ไปได้ทำควารรมแก่มันเป็นอะไรทีจริงก็เป็นผลของกิเลสกรรมเหมือนกัน แต่มันทําแล้วนะฮะตักรรมเน่เกิดขึ้นแล้วความแก่มันเป็นวิบากก็เป็นผลแล้วเราก็เป็นนงเจ้าของผลคือเจ้าของความแก่เหล่านั้นปฏิเสธไม่ได้เราก็ทรงสอนในแนวธรรมดาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ลงผลความแก่ไปได้เอวังธรรมโมเอวังพาวีเอวังอนัตติโตธรรมชาติเป็นอย่างนี้สภาะว่มามันเป็นอย่างนี้ไม่ลงผลความเป็นอย่างนี้ไปได้พอมาถึงความดีความชั่ว ทรงสอนให้สนนะักสมเนียกเรียนรู้แล้วก็ตัดสินใจเองว่าว่าเรามีกรรมเป็นของต้นตนจะต้องไปผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกรรเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมัใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องไปผู้รับผลของกรรมนั้นเห็นไหมว่าเราเลือกงดเว้นได้หรือประพฤติปฏิบัติได้ ในกินิยะกินิยสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าพิสูุน์ทั้งหลายสุจริตทางกายทางวาจาทางใจนั้นเป็นสิ่งที่บุคคลปฏิบัติได้แต่ปฏิบัติไม่ได้ในตาตาคตก็จะไม่สอนหรอกในสอนให้ปฏิบัติสุจริตทางกายทางวาจาใจเนี่ยเป็นเรื่องที่งดเว้นได้ทั้งหมดเว้นไม่ได้ตาตาคตก็ไม่สอนงดเว้นหรอกทีนี้ในข้อต่อไปเนี่ยทรงแสดงในรูปที่เรียกว่า เราอยู่เราดูตัวเราเองว่าเราอยู่ในฝ่ายไหนอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าความดีคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากความชั่วคนชั่วทาได้ง่ายแต่คนดีทาได้ยากัวในธรรมบทขุตกรนิกายก็ทรงจาแนกว่าการที่ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายถามว่าใครทำได้ง่ายละ่ะเรามองเฉพาะตรงนี้ไม่ได้ เราก็ต้องมองกลับไปที่ข้ออื่นว่าความง่ายความยากนี้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นเป็นอะไรแต่อยู่ที่ใครเป็นผู้ทําสิ่งนั้นเพราะในกรณีนี้แสดงว่าเป็นการสะท้อนภาพลักษของคนฐานการที่ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แกต่ตนทําได้ง่ายก็ แ, แสดงว่าเป็นปกติวิสัยของคนผานแต่ในจุดตรงนี้ยถ้าเอาบัณฑิตมาเปลี่ยนทําบัณฑิตว่าท่านคิดยังไง บัณฑิตก็จะตอบว่าทําได้ยากมันก็กลายเป็นอีกข้อหนึ่งที่ทรงเน้นนะครว่าการได้แลเป็นประโยชน์ด้วยดีด้วยการนั่นแหละทาได้ยากยิ่งอันนี้ก็แสดงสะท้อนภาพคนผ่านแต่เราต้องมองอีกด้านหนึ่งนะฮะมองอีกด้านหนึ่งว่าถ้าคนนั้นเป็นบัณฑิตคือเราเปลี่ยนคนใช่แล้วก็พูดเรื่องเดียวกันนั่นแหละเรื่องกรรมเนี่ยกรรมที่ไม่ดีและไม่ไม่เป็นประโยชน์กรรมที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์เนี่ย ถามว่าทำง่ายหรือทำยากสาหรับบัณฑิตแล้วกรรมที่ดีมีประโยชน์บัณฑิตจะทําได้ง่ายตัวนี้ในข้อต่อไปเนี่ยก็ส่งแสดงในเชิงผลว่าทุกคนเนี่ยต้องการสุขไม่ต้องการความทุกข์นี่เป็นความรู้สึกร่วมกันสากลนะฮะตรงทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งหลายถึงเมื่อความสุขเป็นผลก็แสดงว่าจะต้องเกิดขึ้นมาได้ก็โดยการประกอบเพียร ส่งแสดงไว้ในสังยุตตนิกากยสกาตวักเป็นการว่าสุขไม่เป็นผลอันคนทําชั่วและทําชั่วจะได้ง่ายเลยหมายความยังไงหมายความตรงกันข้ามถ้าคนทําดีก็ก็ได้ง่ายแต่คนชั่วนี่จะได้ยากเพราะความสุขมันเป็นผลจากการกระทําความดีแต่ว่าความทุกข์นันเป็นผลจากการกระทําความชั่วทีนี้คนชั่วกระทําความดีได้ยากกระทําความชั่วได้ง่าย และถ้าแกต้องการความดีมันก็ยากสาหรับแกอันนี้ก็แสดงว่ามันเป็นลงตัวทั้งหมดเกียนแต่ว่าจะท้อนจากมุมใดของเรื่องดอกนั้นในข้อต่อไปรับสั่งว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนเนป็นการเสนอเป็นการบอกกล่าวทาดีก็ดีทําดีดก็ได้ทําดีได้ดีทําดีก็เป็นคนดีทําชั่วกว็ได้ทําชั่วทาชั่วกว็ เป็นคนชั่วแล้วก็มีความทุกข์เป็นผลมีความสุขเป็นผลเป็นบทสรุปของการกระทำและเป็นการชี้บอกทางดำเนินให้แก่ชีวิตของคนว่าคุณจะเลือกเอาอะไรล่ะแต่ว่าแน่แ น, นอนว่าผลก่อเหตุนี้เขาจะไม่ขัดแย้งกันนะ ถ้าทำดีคุณก็ได้ทำดีคุณก็ได้เป็นคนดีคุณก็ได้มีความสุขถ้าทำชั่วคนก็ได้คุณก็ได้ทำชั่วคนก็ได้เป็นคนชั่วแล้วคุณก็มีความทุกข์ผลต้องกันทุกต้องการศพนะก็เป็นเรื่องที่เลือกเอได้แต่ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองแต่ทีนี้ปัญหาใหญ่เนี่ยว่าความชั่วเนี่ยโดยระยะสั้นๆแล้วมันจะได้อ่ะ แต่ระยะยาวเราจะเสียจนเทียบเคียงไม่ได้เลยความดีในดูระยะสั้นๆนค่อยๆจะเสียเช่นสมมุติว่าคนมีความหมัน่นขยันในการศึกษาและเรียนดืด่นเที่ยงคืนก็ยังศึกษาค้นคว้าอยู่นไม่มีโอกาสไปสูงสิงไม่มีโอกาสไปเที่ยวสนุกสนานตำแหล่งเงรวมต่างๆเนียในขณะที่เพื่อนสนุกสนานกันนียดูแรลยาก็จะเสีย แต่ว่าเป็นกำไรของชีวิตในโอกาสต่อไปเนี่ยเขาจะมีความเจริญขั้วหน้ามีความสมร็จในเรื่องต่างๆบางก่อนไปงานศพงานหนึ่งก็ลูกศิษย์ซึงเป็นลูกของเจ้าพาแล้ลูกของคนตายเนี่ยเขาก็นําลูกชายมาสามคนนะลูกชายคนนุ้หญิงสองลูกายลูกชายสองคนลูกหญิงคนหนึ่ง เรียนจบนอกด้กันทั้งคู่เด็กกอายุยีสิบสกสาสิบว่าป่าสาสิบเอ็ดคนโตในสามสิบสองเขา็ล่าอหกฟังว่าเป็นเด็กที่ข ย, ยันเรียนนะไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้แก่ตัวเองเลยไม่ต้องควบคุมไม่มีข้ามาลูกนี้เที่ยวอะไรจะไรไม่มีพอเด็กก็ไปแล้วก็ก็บอกว่าคนโตเนี่ยได้เงินเดือนเดือนละเก้าหมื่นเก้าหมืนกว่า แล้วก็มีอุปกรณ์พร้อมอมีรถมีเลขามีค่าน้ำมันมีมือถือมีอะไรอะไรบริการให้เป็นผู้จัดการฝ่ายมันก็แสดงให้เห็นดังว่าผลเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากความปานาพยายามศึกษาเราเรียนในสมัยเป็นเด็กรถน้ำที่โนต้นและออกผลที่ตอนปลายต่วางคนสมัยเนี้ทำงานได้เงินเดือนขนาดนี้นะ ที่จริงก็ค่อนข้างยากแต่ก็มีคนก็ทําได้การเทียบแล้วก็ก็เยอะพอสมควรสําหรับเด็กไหวขนาดนี้เพราะวิธีชีวิตของมนุษย์ก็จะเป็นไปตามการกระทําของเขาเองแต่ปรากฏในที่หลายแห่งนะฮะที่ว่ากามูนาวัตติโลโก้ในปรากฏในที่หลายแห่งศัตโลกก็หมุนไปเป็นไปเปลี่ยนแปลงไปตามกรรมคือตามการกระทําของเขา เดินอยู่ดีๆเนี่ยฮะรวยมา ก, กับโทรศไปจบกระเป๋าแม่ค้าริมตลาดรับสักอันก็กลายเป็นโจรไปแล้วหรือเกิดขัดแย่งการแย่งที่จอดรถกันก็โมโหฉุนเฉียวชักปืนยิงเพื่อนป้อมแล้วตายก็ติดคุกเป็นฆาตากนเห็นไหมเป็นความเปลี่ยนแปลงในขณะจิ ต, ตระยะสั้นๆบานการควบคุมรักษาคุณภาพจิตเนี่ยถึงต้องมีความต่อเนื่อง เกิดดอนแอร์เกิด air, เพอร์เรเกิดประมาเกิดหลงลืมขึ้นมาแล้วก็เสียหายออกมากๆทีเดียวดังนั้นท่านจึงสรุปนะสมเด็จประมาสักนาเจา้าพรมพยาวิชารณโรรสในี่งสรุปบอกไว้ว่านิสมากะนังสยโยทุกอย่างเนี่ยต้องผ่านการการกรองการไข้ครวนการตรวจสอบพินิจพิจารณามองให้เห็นมาทั้งระบบทำอะไรทาอย่างไรทาไปเพื่ออะไร ทำแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรต่อไปจะเกิดประโยชน์ประโยชน์อะไรต่อไปจะเกิดประโยชน์อะไรมันยาวไปละเยียดไปเลยนะคือมองเอนได้นะคล้ายๆกับสมมุติเราจะสร้างสวนมะพร้า ว, ส, ส, ว, าาว ส, สั่งสวนยางพาราสั่งสวนเงาะสั่งสวนไม้สักทองอะไรทันนะ้อะไรนี่นะคือเรเห็นอนาคตแต่อนาคตค่อนข้างไกลระยะสั้นๆมันก็ไม่ได้หรอกเพราะเหตุมันหนักเหตุมันหนัก ไอ้ช่วงการเนี่ยมันยาวแต่ผลนี่จะยืดยาวเลยส่งผลไปถึงลูกถึงหลานเลยแล้วเป็นปการมองตลอดทั้งระบบเพราะอะไรเพราะว่ากตศาสตร์นัติปฏิการางังสิ่งที่เราทำไปแล้วนี่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทำแล้วก็ทำเลยนะช่วยไปแล้วก็ช่วยเลยดีแล้วก็ดีเลยทาอุ ป, ปมาไป อยู่ข้องกับกฎของธรรมชาติอาจเช่นนักประดาเขาบอกว่าบุคคลจะไม่สามารถกระโดดลงไปในกระแสน้ำได้เป็นครั้งที่สองซึ่งก็หมายความว่าการโดดอะดูแล้วคล้ายๆจะโดดได้แต่จริงมันไม่ได้เพราะว่าการโดดครั้งที่สองอายุเราก็เลยไปหลายนาทีแล้วเวลาก็ผ่านไปเท่ากับอายุเรา น้ำมาเกาะที่เรากระทบครั้งแรกมันก็เลยไปละบนการโดดแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่คนละเรื่องกันเลยไม่มีการกระโดดซ้ําแม้กระโดดในจุดเดียวกันนะเราอาจจะรู้สึกว่าซ้ําจริงๆมันไม่ซ้ํามันเป็นอาการเลื่อนไหลที่ไม่คงที่ของสิ่งต่งางๆเราแก้ไขให้คืนคืนเป็นไม่ได้ทีนี้การแก้ไขไอดีไม่ให้ดีนี่ยไม่มีใครอยากแก้ไขหรอ แต่ว่าที่ดีแล้วเนี่ยที่ไม่ดีเอ่อที่ดีไปแล้วเราเอ่อที่ไม่ดีเนี่ยเราแก้ไขให้ดีมันแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ก็บกับเหมือนกับแก้ดีไม่ให้ดีนี่แหละแก้ไม่ได้ทั้งสองอย่างถ้าเราจะทําดีแล้วก็ทําทดีเพิ่มมันก็ดีคนละตอนกันชั่วก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้บุคคลสนะ ว่าอะไรก็ตามนะฮะไปแก้ไขไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทีนี้บางทีก็มีลักษณะรับสั่งเป็นแนวกระตุ้นเตือนนะฮะว่ารู้ว่าการใดเป็นประโยชน์แก่ตนพึงทำรีบทำการนั้นทีเดียวตัว น, นี้ยังไงมันก็เน้นที่การก่า ง, างเน้นที่งานอาชีพต่างๆแล่ก็เน้นที่การกระทำความดีต่งางๆ ต่าการทำความชั่วนั้นยังไงก็ไม่เกิดประโยชน์แน่นอนแต่บางทีก็เน้นยามไม่เห็นว่าถ้าจะทำมีมีเน้นนะฮะถ้าจะทำก็ต้องทำความดีทำความดีแล้วก็ต้องทำจริงๆก็ทำเอาจริงเอาจังจะต้องมีความต่อเนื่องยาวนานผ่านการเวลาที่ยาวนานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทุกขทรมานสาหาัสใจกัน และต่อมาก็จะได้รับผลบางครั้งบางคราวเป็นการย้ำเตือนมาจากคนข้างนอกเราก็ดูว่าเขาเจตนานดีมุ่งดีปรารถนานดีต่อเรามันก็แสดงไว้ในต่สกันิบาตอังคุตรนิกายนะว่าควรทำตามถ้อยคำของผู้เอ็นดูคือคนที่ว่ากล่าวตักเตือนแนะนำสั่งสอน บางทีก็อาจจะคุมคู่ดุดาอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าเป็นกุศลเจตนาท่านหวังดีมีการห้ามปลามีการว่ากล่าวตักเตือนอาจจะดุดาอะไรตัอะไรก็ได้นะฮะตรัสใสศึกใสไปก็ได้แต่ว่าต้องการให้ทาดีเราก็ทราบในกุศลเจตนาของท่านก็พยายามไปทําตามท้ยคำของท่านที่เอ็นดู แต่ที่นี้การกระทําทั้งหลายเนี่ยมันไปนสัมพันธ์กับกาลเทศะบุคคลเหตุผลกลุ่มค น, คนและกรณีนั้นๆั้นตอนสิ่งจะต้องคิดมากเป็นพิเศษนี่คือเรื่องของสรรพริสธรรมความรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลรู้จักชุมชนรู้จักบุคคลทําอะไรก็ต้องนึกถึงตุดเนี่ยเจตเวเนี้บางทีมัน มันแสดงอะไรง่ายเกินไปคือแสดงความริษยาแสดงหลายๆที่มีการสัมภาษณ์เนี่ยก็เเห็นประกายของความริษยาประกายของความแข็งดีประกายของความดูห ม, มิน่นย่อต้นขมท่านเนี่ยมันมีปรากฏให้ได้เห็นได้ยินได้ฟังจยู่บอ่อเพราะอะไรเพราะว่ามันภายในใจเนี่ยไม่สามารถจะควบคุม ควบคุม ค, ความรู้สึกมืดคิดของตนให้อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องได้เลยก็ออกไปในรูปของไม่เหมาะไม่เหมาะสมแก่กาลเทศะและอย่างเวลาเนี้ยที่จริงต้องทันต้องทันกับสถานการณ์ต่างๆแล้วบางอย่างอย่างเราเห็นชัดเจนเนี่ยว่าเมืองไทยเราที่ไปเล่นอนะสังหาริมทรัพย์กันมากแล้วค้างเติบกันยุ่งกันไปหมดเนี้ย เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นความโลภไปมุ่งไปที่อย่างเดียวโดยไม่ได้มองถึงกับบังซื้อซึ่งมาจากข้างนอกมันไมน่มาจากเราเราก็สร้างกันหลุ ด, ลดไปเนี้ยนั่งรถไปที่ไหนก็เห็นค้างเยอะเล้วเกินเขาว่ากันเป็นล้านล้านยูนิตนะแต่ว่าใครจะได้สมบูรจริงๆเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบเหมือนกัน จากการเดินทางไปในที่ต่างๆทุกส่วนของประเทศนี่เจอเป็นแถวๆเยอะแล้วเกิดโดยเฉพาะในกรุงเทพในมาหาสารมากๆตึกสูงๆเนี่ยบางทีไม่มีคนอยู่อยู่ชั้นสองชั้นสามชั้นอะไรแต่ไหนแต่บางทีจริงตึกสูงๆนี่ค่อนข้างน่ากลัวมันเปรี่ยวกว่าในป่าสิครับก็เหมือนกระหลงป่านะขึ้นไปนั่นคืออะไรก็คือว่ามันประกอบธุระไม่หมดแก่กาละ คือไม่รู้จักปริษัญุตาคือกลุ่มคนคือกำลังซื้อต่างๆเนี่ยคนจนๆนะสร้างบ้านราคาตั้งสามสิบล้านหกสิบล้านห้าสิบล้านอย่างนี้เวมจะอยู่กันไหวเลยซึ่งคนอยู่ต้องรวยมากๆนะฮะซื้อบ้านได้อย่างนั้นเนี่ยกาใช้จ่ายในแต่ละวันเนี่ยราคาแพงแล้วในที่สุดเนี่ยบุคคลหลนั้นเองก็จะเดือดร้อน วานในท่านก็เตือนเอาไว้ว่าพึงรักษาความดีของตนไว้ดังเกลือรักษาความเข็มก็หมายความเมื่อมองเห็นว่ามันเป็นสิ่งดีงามและทําแล้มีความสุขใจเป็นผลก็ต้องพยายามรักษาความดีของตนไว้ในรูปของเกลือเหมือนกับเกลือที่รักษาความเข็มจะเล็กหรือจะน้อยจะเป็นเม็ดหรือเป็นน้ําเป็นผงเป็นก้อนใหญ่ก็ตาม ก็รักษาคุณสมบัติคือความเข้มงวนไว้ไม่เสือ่อมคลายความดีเป็นภารกิจของคนดีที่จะต้องรักษาในลักษณะอย่างนั้นแต่บางอย่างมันเป็นเรื่องของความฉนึกคุณจะแสดงไว้ในสะดวกว่าพึ่งทำกิจอย่าพูดที่ช่วยทำกิจแต่เรื่องอุปการะปฏิการแล้วการาส่กุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นภายในจิตของบุคคล แล้วก็ประกอบกระธรรมลงไปตามเหมาะตามควรแก่กะมีด้านั้ น, น, นต้องฟังทั้งหลายแต่ลงพโพธิญาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็ น, นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี